แต่แตกต่างกันบางคนมีเดมสาสมวัตถุก่อนนั้นสร้างนี้อย่าี้รัเวลาเดือนยินถอนตัวสถานที่ใดก็ดีไทยดีไปตัวสร้างสางา บริหารเสียดีต่างๆนั่นนะเป็นผู้คนเรียนหน่ายพออยู่พอพักพออาศัยก็ไม่พักไม่อาศัยตาณใจจะสร้างวัตถุาศาสนาวัตถุาศาสนาบุคคลาศาสนาธรรมมันมีหลายทัานเบื้องของมันเรื่องาศาสนาวัตถุ เรื <c oughs> เ่องของศาสนาจะเป็นตัวศาสนาจีจิจพระว่าที่ก่อสร้างเอาไว้ก็เป็นเพียงหนึ่งที่จะให้คนเห็นว่าปู่ยาตาทวดาของตนเรื่องสทางศาสนาได้สร้างาาวัดวาอารามเอาไว้คนอื่มาเห็นเขาก็ว่ามีวัดวาศาสานาสวยงาม ตายอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ดูว่าคูอยู่ผูอาศัยมีทมที่ในตั้งใจรู้สึกปฏิบัติหรือไม่ทามีแต่าศาสาวัตถุอย่างเดียวมันก็อยู่ไม่ได้ทางฉลายข <c oughs> องการก่อสร้างทางนอกมนสร้างได้ไม่ว่าพราไม่ว่าคาราวา มันจเจริญขนาดขนาดไหนต่เป็นเรื่องก่อสร้างด้านจิตใจเป็นอย่างไรนั้นนีน่คขาหนึ่งกขนวณหาศาสนาบุคคลก็คือบุคคลนับถือศาสนาตั้งหน้า พ, พปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนเอาไว้ดยวยศาสนาบุคคลบีคคล เหยส์ศรัทธามีนักบวชหมากหน้าหลายตาเดียกันนี่คือศาสนาบุคคลที <c oughs> มาเหลื่อมใสอยู่ในศาสนาศาสนาธรร ม, มถูหมายชื่นใจของบุคคลที่มาเหลื่อมใส์สัทธาต่างหน้าต่างตาลายกิเลสจนจิตใจหายจากความ กังวลอุ่นวายเดือดร้อนหมดโลกกวธหลงในจิตในใจมีศาสนาธรรมเป็นแก่นของศาสนาถ้าไม่มีศาสนาธรรมในจิตในใจถึงบุคคลจะมีจานวนมากปริมาณมากขนาดไหนใจ้จิตใจของคนเหล่านั้นพอเต็มไปด้วยโลกกวนหลง เราพูปฏิบัติอาดทําพรเสียเ ม, มตตาในตังหนาต่งตาตงกาทำลายกิเลสตัณหาเพียงจะอยู่ในศาสนาก็อาศัยกินนี่คือเพียงแตศาสนาบุคคลที่มาเลื่อมใสในศาสนาแต่ไม่ตัณหนาต่างตาลายกิเลสคุณข่าก็เบาลงไปอ่อนลงไปไม่ค่อยจะมี คนเหลื่มไสนบนี้คนเกืีดถืองเพราะการทำการพูดของเขาที่แตก ต, ต่างไปจากหลักของธรรมของวิ น, นัย <c oughs> จากนั้นดึงศาสนาที่พระพูดใจเจ้าทรงวางรากฐานเอาไว้มอกให้ยิสุสามะเนน อุบาสกอุบาสิกาเป็นผูดูแลรักษาศาสนาจะเสื่อมหรือศาสนาจะเจริญก็อาศัยบริษัททั้งสี่เป็นผูดูแลรักษาถ้าบริษัททั้งสี่ไม่ดูแลรักษาศาสนามันก็เสื่อมไปถ้าบริษัททั้งสี่ดูแลรักษาต่างหน้าต่างตาเขาคืปฏิบัติตามอัตธรรมที่สอนไว้ที่สุสามเณร มีหินขนาดไหนมีภารินยยัยางไรก็ตัง้งนาต่างจารักษาภารินัยของตนไม่ด่างพล้อยขาด บ, บิ่นเสียหายรารวะมีหินอย่างไรก็ต่างใจรักษาตามเทศของคารวาศาสนาก่อเจริญไปได้มันคงไปได้ตาหา ต่างฝ่ายต่างโยนขิ้งาศาสนาเป็นหน้าที่ของนักบวชเราไ ม, ไม่ดีเกี่ยวข้องเป็นผู้รักษาตั้งแต่นักบวชท่านจะดูแลรักษากันนักบวชก็โยนให้พระละวาเพราละวาดก็โยนให้นักบวชต่างคนต่างไม่อดทานไม่ต่างหน้าต่างตาทํางานรักษาศาสนาศาสนาก่ ทั้งทลายลงไปาความจริงก็ทั้งสองฝ่ายดูแลรักษากันถ้าไม่เข้าท่าพระไม่มีอัจมีธรรมพยายมยีเบียดเบียนศาสนาเราที่เป็นฝ่ายบำรุงรักษาชายกษา ย, ยิกาก็ให้ระวังระววงอย่าไปบำรุงบำเรอให้เขาลืมเมื่อลืมตัวไป เพราะการไม่ประพฤติตามอาจตามทมนั้นหากเราเกี่ยเหลือเกี่นหมูนคนเหล่านั้นก็จะมีกำลังมากขึ้นเหยียบย่ำทำลายปุถิดชนจางนาจางตารักษาทำร้าย ใ, ให้เดือดร้อนวุ่นวายทานจึงไ ม, ม่ให้สนุสนอมสนับสนุนคนชั่วหรืเรียก ว, ว่าอรชี คมียางอายอยากจะประพฤติพไปทางกายทางวาจายอย่างไรก็ประบพืชไปตามใจตัวชอบนะครัหนึ่งถ้าทำดนในจิตสันหักห้ามเอาไว้ส่วนบริษัทเห็นทันมีผ้าเหลืองห่มอยู่คลองอยู่ก็ถือว่าถ้าเป็นพระพิสุสา ม, มาเณรก็บมรุงรักษาไปแต่ทำดนใน การรักษาคงเส้นคงวาหรือไม่ไม่ได้ตรวจตาพิ่เจริญนารวมตัวไม่ได้ที่เจรณารักษาอย่างนี้คนดีมันก็มีจํานวนน้อยอาทิตย์จะลอยหลอลงไปคนชั่วมีจํานวนมากเท่าไรก็ทําให้ศาสนาเสื่อมไปเท่านั้นเหมือนกันกับโรคใครมีมากเท่าไรก็ทําให้ความสุขความสบาย น้อยลงไปหรือถึงลมถึงตายไปได้ฉะนั้นแผ่ของเขาถึงร่างกายของเราจะมีกุญ่าสาระอยู่ทุกสิ่งทุกส่วนเป็นที่มองเห็นทุกอย่างไปกว่าตามภระร้ายมันเบียดเบียนตอนไหนที่ใดจะรักษาโดยหยุกยาไม่หายเขาก็ตัดทิ้ง ป่อยเอไว้ส่วนใหญ่ก็จะถูกเสียหายไปถึงเราจะสงวนรักษาไม่อยากจะให้พราะตัดแตกก่อถ้าปล่อยเอาไว้ส่นนสนวนใหญ่มันจะพังทลายเพาะตัดออกไปไม่ว่าไส้บวชตับบวชแขนาัีา โรคร้ายที่รักษาไม่หายก็ต้องสัตว์้งข่าวไปเรื่องรักษาส่วนใหญ่ <c oughs> มีเหลี่ยมพระที่สู่สามาเนนผู้รักษาศาสนาก็ะทำนองเดียวกันเดี๋ยวนี้เรื่องของพระของเนนมันมีมากจำนวนเป็นแสนในประเทศไทยแต่ก็มีปริมาณตัวพระตัวเนนจริงจังนั้นจะหา เป็นยากว่าทั้งยากพอจิตใจจิตเป็นพระเป็นเนรจริงจังมันหายยากละกฎหมายถึงปูกปฏิเสธสามเณรสมณะกฎหมายถึงผูสงสกงผสงบกายสงบวายารสงบจิตเลียดปัญหาถ้าสงบได้มันก็สุขกว่าสบาย ขาประเสริฐได้มันก็วิเศษนี่ม่ได้ตรวจตาที่จะจร้หนาดูแลรักษาเรื่องจิตใจของตัวโดยส่วนใหญ่ <c oughs> คนอื่นมองเห็นง่ายถทของตนเองมองไม่ค่อยเห็นคนอื่นมาตำหนิมากล่าวเนี้ยสอน กโกรธเขาว่าเขาดูหมิ่นนินทาคือไม่ยอมรับจิตของตัวคนส่วนใหญ่มันเป็นแบบนั้นจิตเป็นผู้ทุชนคนหลงไม่ชอบํำตำหนินินทาชอบจะให้เขาสันนิษฐินเดิ น, เยนยอท่าเดียวจิตขนาดไหนก็ยังเห่ยอมรับอย่างพวกนักโทษอยู่ในตะรางเหมือนกันไปถามทำไมมาจิต ปุกิตตลางอย่างนี้เขาหาเรื่องอย่างนั้นหาเรื่องอย่างนี้ทั้งๆที่ตัวไปทําจนเขาจับได้ถ้าหนังคาเขาไม่มีทางเล่นหลอดออกมาได้ก็ยังไม่ยอมจำนนตัวผู้ชชนถั่วไปมันเป็นแบบนั้นไปโดนอะไรเขาก็ไปบ่นให้อันนั้นตัวเองแล้ววางรักษาตัวเองต้องมีตัวเองต้องมีแต่เรื่องอื่นไป เดินไปตามถนนหนทางไปสะดุดหลักตอเจ็บปวดเข่าก็ไปโกรธให้หลักให้ตอหกล้อมไปโกรธให้แผ่นบินมันเป็นแบบนั้นคนแบบนี้ไม่มีทางที่จะดีจะแก่ตัวให้เป็นสมณะให้เป็นพระปุประเสริฐได้เพราะไม่เห็นความชั่วภายในตัวของตัวมีคนอื่น <c oughs> ไปจากเตือนให้ตโปรดแต่บัณฑิตในสมัยพุทธกาลท่ากล่าวสละเสริญยกย่องเป็นเอตะทะทะพร ะ, ะลาทะตามเป็นพระก่บวนเมื่อแก่ท่านคนนี้มีอายุมากแต่เกิดศรัทธา อยากจะบวชในศาสนาไปหาพระเจ้าพระสงฆ์เอาวาาใดท่านก็ไม่รับเพราะเห็นอายุแก่บวชมากว็จะพึ่งพาอาศัยตัวเองไม่ได้โดยมากคนแก่ก็มาจากจะมีพิธีมานะตาคนหนุ่มแนะนให้เขาก็ถือว่าหุ่นลูกหุ่นห ล, ห ล, นหลานหุ่นเหลนของเขาทางรู้ของคนหนุ่ม ูขเขาไม่ได้มาอยากจะเป็นอย่างนั้นโดยส่วนใหญ่ค <c oughs> งมีใครยอมรับที่จะเอาบวชม้แ่มันดัดจา้าคงจะคิดแบบนั้นไปหาที่ไหนก็นไม่มีใครที่ยินดียอมรับให้บวชก็เลยต่อมา ไปพบกับภาษารีบุตภาษาเรีิบุตรก็เลยบวชให้ภาษาลรีบยบวัรรือว่าเขามีอุปศลักษณ์คุณเจริาจำแม่นจาเป็นปลาไม่เคยลืมหลงบุญคุณของคนคือจะทำแจ่ตนงคงจะนับเดือนนับปีมาในท่วน ภาษาลีบุตรเคยไปบิณฑบาตเขาเคยให้ข้าวสั้นทับทับทีหนึ่งท่านไปยินทบาต ท, ท่านก็จําได้ว่าความแก่คนนี้เคยมีกุลราคุณแก่สัน้นมันก็เลยบวชให้เมื่อบวชมาในศาสนา <c oughs> แทนที่จะเป็นคนวายากสอนอยากดัดยากอย่างไม้แก่ไม่เป็นอย่างนั้นท่านตั้งหน้าต่างตา เจรนาศึกษาหลักธรรมปฏิบัติเพื่อความเป็นทุกข์จริงจังจังเพราะฉันเห็นว่าอายุเราก็แจ่แล้วในกี่ปีข้างหน้าเราก็จะต้องตาาไม่รีบเร่งฟันขวายจะทำบ่มเพียงเห็นเหรอรู้ในระยะที่พอจะทำได้ไมมีโอกาสเป็นลาพอตายไปไมมีอะไรที่จะ แต่เป็นที่ถึงพาอาศัยเราจะรีบเร่เรงเต้นที่จะเป็นทิสุหนุ่มสามเณรน้อยกว่าตามไปจากเตือนอะไรแก่ท่านท่านถือว่าบอกขุมทรัพย์ให้ท่านเรย่งที่ท่านคิดท่านยอมรับถือว่าเป็นขุมทรัพย์ที่เขาบอกให้ไม่มีการเสียใจยินดีเลื่อมใส ควรี่ตัดเตือนมีหมายถึงผู้จิตละมานาทิฐิละกิเลสปัญหาละความชั่วออกจากกายว า, จ า, ายใจใจของตัวยอมผิดสิิงจีมันผิดในเด้ถือว่าคนนั้นยังหนุ่มยังน้อยยังเด็กยังเล็กถ้าบอกเตือนว่าอันนั้นมันผิด ที่เจนาแล้วเห็นว่ามันผิดจริงท่านจะยอมรับยอมแจกไข่สิ่งที่คิดที่ฐานธรรมแตนพูดไปราชาราชาธรรมแต <c oughs> นเป็นอย่างนั้นขันตังหน้าตัางตาปฏิบัติตามศาสนาธรรมที่พระพุทธเจา้าทรงสอนลูกศูลอาจารย์เนี้ย ให้ตั้งใจทําจริงจังผลที่สุดทางก็ถึงยิมยุตเป็นพระอรหัสตอรหันต์พระพุทธเจ้ า, จาทัาน็ทรดสงสันาลเสริญยกย่องไอเอตาธาธาัทธะทั้งว่านอนแสองง่ายมีหมายถึงราทาพามเราสมัยนี้คนแบบนั้นหายยากไม่ว่าคนแก่ไม่ว่าคนน ม, มเบื่อมาก มักจำหนี้คนอื่นเรื่องอื่นในจำหนี้ตนของตอนเหตุนั้นจีเดียรตัญหามันจึงไม่มีเวลาจีจลิตรลอยไปจากกายจากใจของตัวเ ค, เคยเสืียเคยเสียอย่างไรเคเสืยเคยเสียมาตลอดระยะเวลาทหารตั้งหน้าต่างตาสังเกตเหตุการณ์มีสติ จดจ้องมองดูจิตใจของตัวอยู่ทุกระยะเวลาอะไรเกิดมาก็ให้ทราบมีปัญญามีใจวิจารว่าอันนี้จิตถูกดีชั่วอย่างไรควรจะยึดถือเอาไว้รื้จะจ่อยวางไปถ้าหามีสติมีปัญญารักษาใจอย่างนั้นใจจะปลอดภัย ใจจะสุขใจจะสบายใจจะเยเือกเย็นยี่งเรียกกลัวคนที่มีอาวุธคือสติปัญญาแต่ไม่กลัวสำหรับคนชั่วคนเสียคนทิดขีมานะคนไม่สอตราตัวเองเราทุกคนที่เขาพูดใจเจ้าหมอบศาสนาให้ ก็คือนำมาทีนี่ที่เจรารักษากายบายจาจใจของตัวศาสนานอกมันจะบเหื่อมสูญทลายไปขอเป็นเรื่องภายนอกไม่ทําให้เราเชื่อเราเสียเราสุขเราทุกข์ได้เหมือนกันกับคนอื่นเขาเจ็บเขาตายเราสุ ข, เ ร, สขเราสบายเราก็ไม่เป็นทุกข์ แต่ถ้าถูกถูกตัวเราเองห่ะเจ็ดนิดเจ็บหน่อยกรไม่สึกสะดวกสบายจะนัง่งจะนอนจะยืนจะเดินอะไรก็ขัดข้องทางนั้นนี่คือถูกตัวเราเองเรื่องของศาสนาขอทํานองเดียวกันหากเรารักษากายวายจาใจของเราให้ถูกป้องตามทํานองครองคำสื่พระพุ B T ảo, ทธเจ้าทรงสอน จิตใจเราจเจริญก้าวหน้ามีสติมีปัญญามีศีลมีสมาธิภายในตัวถึงคนอื่นเขาจะเสื่อมจะเสียในตั้งหน้าตั้งจารักษาธรรมะสี่พระพุทธเจ้าทรงสอนกดตามแต่เรารักษากายวาจาของเราอยู่สม่ำเสมอ เราคี่นี้ที่เจนาจริง ท, ที่ชื่อเสียที่เด็ทําเด็พูดไม่มีใจของเราก็ไม่เดือดร้อนวุ่นวายสุขสบายจะไปสถานที่ใดจะ่า่าเผยไม่คิดว่าคนนั้นจะยกโทษว่าเราทาเราพูดอันนั้นผิดอย่างนี้อย่างนั้นคนที่มีศีล บริสุทในคนเป็นผู้สามารอาบอาหารไปสถานที่ใดก็ได้สะดวกสบายคนที่ทุสีนไม่มีสินในตัวทำชั่วทำเสียจะไปสถานที่ใดก็ระวังระวังตัวเรยงต่างๆความชั่ว มีอยู่ในตัวถึงคนอื่นเขาไม่รู้จักแต่ก็ระแวงในใจว่าคนนั้นเขาคงเห็นคนนั้นเขาคงรู้เรื่องชั่วเรื่องเสียของตัวนั่งไปเลยไหมองอาจต่างหันให้ตาหัเรารักษาศีลบริสุทธ์ปลอดภัยแล้วไปสถานที่ใดก็องอาจต่างหัน ศีลจึงเป็นเรื่องสำคัญโลกปัจจุบันเดือดร้อนวุนว <c oughs> ่นวายขัดันยิ่งวุ่นก่อขวัญกันรบลาคาแทงกันอยู่ที่แข่งทุกผนสมัยนี้ก็เพราะเรือ่องของศีลนั่นเองศีลไม่มีในคนเหมือนนั้น มันจริงเป็นแบบนั้นโลกยังไม่มีวันสงบละงับมีหมายถึงตัดโลกคนในโลกถ้าหากไม่มีศีนเท่านั้นโลกนี้ก็ควรฝันหาความสงบสุขไม่ได้ตัวของเราเองถ้าผิดศีนไม่มีศีนในตัวมันกวนวายสมองเดียวกัน ก็ไม่มีวันที่จะสงบร้างนับเป็นสมาธิเปนได้เพราะไม่มีศีลเป็นพื้นฐานเหมือนกันกันกบคนปูกบ้านทา่าไม่มีที่ดินแล้วจะไปปลูกบนอากาศต้องปลูกไม่ได้จะปลูกเล็กปลูกใหญ่ก็ต้องอาศัยพื้นฐานคือแผ่นดินเช่อก่อน พระเจ้าพระสงฆ์ผู้นับถือศาสนาผู้ปฏิบัติศาสนาเราก็ต้องดูเรื่องศีลของท่านาศีลของท่านเป็นอย่างไรแต่ศีลของท่านไม่ดีแล้วอย่าไปพูดถึงสมาธิว่าถึงจะมีสมาธิมีปัญญาถึงคำพูดของท่านจะมีปฏิภาณขนาดไหนก็ช่าง แต่ตัวจิตใจจริงจังไม่สามารถที่จะเป็นสมาธิดีงามได้เพราะเรื่องศีลของแผ่นยังในบริสุทธิ์ผ่นยังละทำผิดพูดผิดไปในบางสิ่งบางอย่างถึงนักปราชญ์ทั่วไปในสารเสวนศีลจึงเ ป, เป็นเรื่องสำคัญ ตัวสำคัญของศาสนาเป็นหัวใจของศาสนาชาติพระพิสุสา ม, มาเนนไม่มีศีลทถานั้นถึงมีเพศเป็นชาเป็นเนนอยู่ก็เพียงแต่เพศแต่จิตใจภายในไม่เป็นชาเป็นเนนให้ เหมือนกันกับคนตายร่างกายมันมีอยู่แต่จะไปทำการทำงานอะไรไม่ได้พอมันตายไปแล้วศีนส่วนสำคัญส่วนใหญ่ถันกะกล่าวเอาไว้เป็นปราสิตเป็นศีนที่ที่สุสามามเนน กลงเข้าไปทำจิตเข้าไปเหมือนกันกับคนค้อขาดเหมือนกันกับตาลยอดด้วนเหมือนกันกับใบไม้ที่เหลืองโลนลงมาเหมือนกันกับหินที่แตกออกจากกันไม่มีวันที่จะดีปกติได้คนค้อขาดทั้งร่างกายจะยัง มีอยู่กับตามคนนั้นไม่มีแพทย์ที่ไหนหมอที่ไหนจะมาติดต่อคอของเขาให้มีชีวิตยืนยงไปอีกได้คนนั้นจะต้องตายตาหยดด่วนกอทา น, นองเยียวยกันไม่มีวันที่จะ ง, งอกขึ้นอีกถ้าวันด่วนแล้วใบ ไ, ไม้เหลืองทีบหล่นลงมาจากต้นจากขั่วของมันก็ทา น, นองเยียวกัน แล้วจะเอายางเหนียวๆไปจิดเอาไว้มันก็ไม่สามารถที่จะเกี่ยวสนงดงามมาอีกนี่แต่มันจะเหนียวจะแห้งจะตกจะหล่นเท่านั้นหินแตกว่าทํานองียวกันแล้วจะยาเอาไว้เพื่อให้มันปกติอย่างเดิมมันปกติไปไม่ได้มันจะต้องเห็นรอย ที่ฝ่่ยาไว้มีเรื่องของศีลก็ทธรนองเดียวกันจึงเป็นเรื่องสำคัญแ้าพระพสุไม่มีศีลมันก็หมุตเรื่องของสมาธิเรื่องปัญญาก็เป็นสัญญาไปไม่สามารถที่จะแกไขใจให้บริสุทธิ์ดันั้นเรื่องศีลจึงเป็นเรื่องสำคัญสำคัญจึงหวะ ไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาเป็นหน้าที่ของผู้นับถรอศาสนาจะต้องศึกษาเพราะศี <c oughs> ล น, นั้นถ้ามีประจำคนใดแล้วคนนั้นจะงาพาเผยคนนั้นสุขสบายทำโลกทั่วไปไม่ให้วุ่นวายทำโลกให้สงบพูดแงอะ้ะ อย่างปานาจิบาในข่ากันเยียดเยียนกันอาิ αι, นาทานในขโมยของกันกามีสุนิชขาจานในตะพิดขิดในตระเวณนีมมสาในพูดเท็จสุราใดื่มนำเมหาหาข้อนี้เป็นศีล ทุกคนควรรักษาทำไมรักษาโลกอันนี้จะเป็นอย่างไรเกิดเดือดร้อนวุ่นวายหาความสุขความสบายไม่ได้เห็นกันตีกันห่ากันเบียดเบียนกันมันไม่มีความสงบมันมมีความสุข เห็นอะไรที่ไหนก็ขโมยของกันแย่งชิงขี่ปุ่นกันมันจะสุขจะสบายที่ไหนได้เวณีก็เหมือนกันในสความสุขความสบายเกิดขึ้นในครอบครัวใดก็แตกกันถึงอยู่ด้วยกันก็ไม่ตั้งมั่นมีสมบัติเข้าของมากมาย ขนาดไหนใจก้อนคมัสุขมันสบายแล้วแวงกันอยู่อย่างนั้นมันเป็นทางเดือดร้อนทางวุ่นวายกันโกหพกพกลมกันไปทํานองเดียวกันหญิงเจนเป็น เ, นเื่องสำคัญสุราการดื่มสุราถือ <c> ว <oughs> ่าเป็นการดื่มในสังคมเข้าสังคม มมาาถ้าไม่ดื่มชุลาเขาก็ถือว่าเขาสังคมไม่ด่างมีเป็นภาษาสมัยปัจจุบันเขาถือกันแต่มันก็ไม่จิงให้เพราะมันผิดจากสีนผีดพระพุทธเจ้าคงตัดเอาไว้ดื่มเข้าไปมันเป็นอย่างไรสุราบ้าอยู่ในตัวมัห้าสิบเอร์เซ็น0แล้ว เอาบาสุลามมาเสริมคนอี่นเต็มร้อย่นนใหญ่ๆมันก็ใสไในถูกพูดกมอนรมทราบว่าทำไหนควรไหนควรทำละอายในจิตในใจก็มีซ้ำใส่จองที่นี้ที่เจนาอะไรก็เสื่อมลงไปทางสติปัญญาคนที่ที่เมาอย่างนั้นเขาไม่ในถือว่าเป็นคนหยิบคนดี มันทำให้เสื่อมให้เสียตามจรงม่จริงสอนให้รักษาเราเป็นผูกรักษาศาสนาก็คือรักษากายรักษาใจารักษาใจท่องตัวจิตในจิตเกลยดจิตเสียจิตพระพุทธเจ้าทรงสอนขานํามาที่นิ้พิจานณาเดี๋ยใจจริงในเข้าตัวแล้ว เรื่องรำนี้นียที่สอนของผู้ชาเจ้าสอนไปไมว่าส่วนใดถูกต้องแน่นยำํำไม่มีลาสมัยตามภาษาผี้คนบ่าคนบอเขาฝูดกันมีแต่ทันสมัยสงบเงียบสุขสบาย หากผมรื้อปฏิบัติได้ตามที่แตนแม่สอนแต่สมัยนี้เขาซื้อกันว่าทำผูดของเขาผูดไปเจอแปะเขาว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีทมไปนี่เป็นภาษา ที่เขาปูกกันขึ้นผูกกันขึ้นคนก็นิยมเชื่อถือว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นทาดีใดดีมีที่ไหนทําชั่วใดดีมีทมไปนี่เขาไปนในที่แจนมะาถึงหลักทำดีไหนหากที่แจนะา โดยจิตโดยใจบริสุทธิ์แล้วคำพูดเช่นนี้จะไม่มีมูลความจริงในควรนิยมชมชอบไม่นควรหลงไหลไปตามคำพูดของเขาคนทำดีได้ดีมีดาาดื่นคนทำชั่วได้ชั่วกวนับไม่ท้วน ความจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วยังเป็นความจริงเสมอมาไม่ใช่ว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วกลับไปได้ดีในต้นอย่างนั้นลองคิดดูล้วชอบทำชั่วต่างๆนานาเพื่อได้มา ในสิ่งศิลป์ศาสนาถ้าเขามาทำชั่วกับเราแบบนั้นเราจะพอใจไหมละ่ะถ้งเขามาขโมยของเรามาโกงของเราเอาไปเราพอใจไหยดีไหมถ้าคนทั่วไปทำแบบนั้นจะเป็นอย่างไรกันโลกอันนี้น่าจะแค่พูดได้ว่าโลกอันนี้จะไม่มีความสุขความสบายจะวุ่นวายเดือดร้อน มีืออยื่ดยได้กเพราะเขาไม่ถือภาษตส่วนนี้ทำดียังใดดีโอเควะทำดีแล้วความดีจะมีตอบแทนเราตอบแทนเราหวเขาเขาก็ไหวเราตอบเราตีเขาเราด่าเขาเขาก็ตะดาเราตอบตีเราตอบโ <Okay, S 1> อเคเขาจะยินดีในการทำชั่วของตัวอย่างนั้น สอนของผู้ะพุทธเจ้าถึงจะผ่านการเวลามานานตั้งสอพงพันกว่าปีไปยังดียังบริสุทธิ์พระพุทธเจ้าตอนนี้มีกิเลสทันหมดกิเลสทันพูดไม่ด้เข้าทั้วเหมือนผุ้ทุกชนคนเราธรรมดาจึงได้ที่เป็นตัดเอาไว้ว่าสิ่งนั้นผิด สิ่งนั้นจะต่างผิดเรื่ อ, อยไปทั้งทั้งสี่คนเหล่านั้นไม่รู้ว่ามันผิดว่าท่านตัดเอาไว้แต่มันก็อยู่ในขอบเิดผพราะพระเจ้าจัดเอาไว้พระถันนพยานไกลอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นอย่างไรท่นานทราบสายตาสันเหมือนพวกเรา ท่นานต่อใจทุกสิ่งทุกอย่างท่านจึงนำมาสอนโลกรู้จักจิตถูกดีชั่วในเหมือนควกคนธรรมดาที่ว่ามีสติปัญญาปัญญาชอนอย่างนั้นอย่างนี้ยนจบปริยมปริญาละเชิงขนาดนั้นขนาดนี้มาสร้างกฎหมายเห็นไหมล่ะ สงวันสามวันล้างใหม่เกณฑหมยในทัํนสมัยเขา้องคบไม่ได้รัฐบาล น, นี่ร่มลงไปรัฐบาลใหม่สร้างขึ้นอีกทั้งอยู่เรื่อยเรื่องกฎหมาย่วนคำสองของพทธเจ้ายังคงเสถียคงวางมีอะไรเสียหายนะยังดียังมีเศษ ย, ยังใช้ได้ ท, ทั้งทางจิต 2,500 ันหาปีมาแล้วยังนำสมัยในเหมือนปัญญาชนสมัยใหม่เขียวตว่าเขาเก่งเขาวิเศษแต่ทำอะไรแล้วแต่เดียวเดียวหมดคุณค่าหมดราคาทำคำสอนของพุทธเจา้าเป็นของดีอย่างนั้นคู่ที่ ทีนี้พิเจราผู้ที่มีปัญญาภายในใจเลื่อมใสศรัทธายอมกล่าวว่าสัจระเพราะเป็นของที่มีคุณค่าศราจริงจังแต่ ค, คนผู้ทุกชนธรรมดาเมื่อทพิเจรณาอะไรนั้นมันก็อีกอย่างถ้ามันเห็นอะไรเหมือนคนจับจูบอด ว hmm. ่าอาามันจะกวางใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็มองไม่เห็นแางคิดแสงชันมันจะสว่างสวยขนาดไหนก็มองไม่เห็นเพราะมันบอดมีสัญญาของพวกเราเองก็ทานองนั้นมันบอดหรือมันมีก็มีนิดนิดหน่อยหนยเหมือนแฉกหิวห้อยมันไม่มาก เหมือนพระพุทธเจ้ายังจะจะรักษาใายใจข้างตัวให้สุขให้สบายมันก็ยากไม่ใจว่าดูถูกมินาทั้งๆที่เราไม่ปราถนาบางสิ่งบางอย่างมันเกิดขึ้นมาแล้วก็มีปัญญาที่จะแก้ไขเป็นเพราะดาว่า เขาดูหมิ่นนินทาดุฟนโรคมันเกิดขึ้นมาจะชำระจิตใจของตัวให้พ้นไปจากสิ่งเหล่านั้นมันยังไม่ทันแต่ว่าเรามีปัญญาอะไรกันแบบนั้นรักษาใจตัวเองก็ยังไม่ปอดภัยเดี๋ยให้เกิดโรคเดี๋วให้เกิดโกรธ ส่วนหลงอยู่อย่างนั้นหลงอารมณ์สัญญาของตัวเพราะปัญญาไม่มีถ้าปัญญามีไม่ต้องไปเดไปสอบเอาประดนญากับเขาไม่ต้องแต่เอาไปประกาศนิยบัตร ม, จมาจิตมาหาดแต่หากอารมณ์สัญญาอะไรเกิดขึ้นมาที่จะเป็นทิศเป็นไทยทำใจให้ ว่าหุ่นคุณมัวท่านจะต้องแก้ไขตกออกไปยู่งุกกายสุกใจของท่านนั่นคือคามีปัญญานะานตัวจห้องตัวให้เดือดร้อนวุ่นวายเพราะสิ่งใดเป็นคิดเป็นไทยเกิดขึ้นก็่าทํนเหตุการมันเกิดขึ้นมากว่าสำลัมันไปจิ่งที่ได้ท ทิตทำใจของตัวให้หุ่นวายเดี๋ยวตอนท่านมันเก็บเอาไว้เหมือนกันกับคนที่รู้จักไฟรู้จักอาสรับคิดท่านมันไปเหยียบไปจับพอมันเป็นคิดหนูมันจับมันต่อยแล้วก็เจ็บปวด สิวัวจึงระวังรักษาไม่กาที่จะไปแตะต้องจิตใจคนที่มีสติมีปัญญาภายในที่พะผู้ใจจาาสอนเอาไว้กับํารนองเดียวกันที่เดียดกัรหามานัชีวิตที่ต่างๆที่เกิดขึ้นจากจิตากใจของตนทราบ จิงได้ิ่มันเป็นคิดเป็นใครจะต้องขับไล่จะต้องสะสางออกไปไม่เก็บเอาไว้อี่เราไนี่เป็นทำนองนั้นอะไรเกิดขึ้นมา ก, ก็เจ็บเอาไว้จับเอาไว้แล้วผมมาเผากายเผาใจตัวเองเพราะมันมีปัญญาสี่งเจริญำระ จริงๆตัวเสียออกไปเนี่ยเราถือว่าเราคนหนึ่งมีปัญญาสามารถแะ้ิเดี่ปัญหาโดยขึ้นจากตัวเองมันไม่ทันไม่ทราบเรื่องของมันมันจึงหลงไหลฝ่ายฝันมันจึงบ้าบออยู่ตลอดเวลาหาความสุขความสงบไม่ได้คนมีปัญญา ในทางธรรมะไม่เป็นอย่างนั้นอยู่สถานที่ใดท่านก็ดูแลรักษาใจของท่านอ่ารอารมณ์ภายนอกเมื่ออารมณ์ภายในเกิดขึ้นมาเมือ่อใดทา่านก็าทราบกำจัดขับไลท่ทิ่งเสื่อเสียต่างๆออกไป จะมีกายมีใจสงบมีกายมีใจเป็นกีน่นท่าจะพูดถึงตำลักตำลามมนก็มากถึงมากขนาดไหนกว่า้อนมาถูกกายวาจาใจเท่านั้นเราทุกคนก็มีกายมีวาจามีใจควรจะศึกษาควรที่จรารณา โลกอันนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้่ะเราเมื่อเกิดมันก็มีอย่างนี้ไม่ว่าเด็กไม่ว่าหนุ่มสาวไม่ว่าคนเศราคนแก่ไม่ว่าคนเจ็บคนตายมันมีมาตต่งเกิดไหนจะไรมันเราตายไปไปยังคงอยู่ไม่มีอะไรที่จะมีแต่โลกไป ยังคงเป็นอยู่อย่างนี้เราจะหลงเรื่องเหล่านี้มันก็ไม่หลงไปตามเราเราจะรู้สิ่เหล่านี้มันจะมีอยู่จะได้เปรียบเพราะเรารู้เรื่องทของมันแต่วันเป็นอย่างนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นกับตัวเราผ่านจริงจังก็ไม่เสี ย, ยใจเพราะทราบเรื่อง้าแล้วคนเกิดมาจะต้องมีการแช่ กันเียบการตายในมียาสนามไหนที่จะรักษาไม่ให้แก่ได้ไม่ให้ตายได้เกิดมาแล้วจะต้องเปลี่ยนไปขนองเดียวกันหมดขออย่างไรเราอย่างนั้นทราบในกิตในใจโดยมีทางสงสัยสิ่งเหล่านั้นมาเกิดมาเราทราบ เรื่องของมันอยู่แล้วเราคงมีความเสียใจแต่เราไม่ทราบเราก็เสียใจแตาทำไมมันเป็นอย่างนี้คนอื่นเขาทำไมถึงเป็นเหมือนเรางงไปแบบนั้นใจก็เลยฝ่อเลยเดือดร้อนเพราะไม่พอใจตามความเป็นจริงของมันคนที่มีปัญญารักษาใจ มันสุกมันสบายได้ทั้งทั้งสี่กายมันเป็นอันนี้จังเหมือนเขาใจใจของท่านไม่ไดเสียใจไม่ปั่นป่วนไปตามครเป็นของกายใจสุขใจสบายโยยยยยยยา่้ใครใครเาาก็บเหยียดยนก็ดีละมันจะไม่ประมาท เจติจเจนามันอยู่ธรรมดามันเหมือนเฉยมันคิดว่าหลางใจอันนี้มันมีโรคภัยไปเสื่เพลินมองเไปในเรื่องอื่นมันเกิดขึ้นจะได้พิจเจนามันถือว่าเป็นครูเป็นอาจารย์มาเน้สอนให้เรื่องทุกโรคภัยต่างๆเกิดขึ้น มันเจ็บมากพิ่เจ น, นะพอใจผู้รู้มันเลยเจ็บไปด้วยมันเข้าใจมันมีอาจมีธรรมจรงิงจังมันกายมันเป็นอย่างไรเวทนามเป็นอย่างไรทราบมีหมายถึงผู้ขอชุดปฏิบัติมีอาจมีธรรมในตัว ก็ดีมันจะมีนนทนทุกต่อไปอีกยังอยู่กว่าดีติเจยนาเรืองโลกให้ถั่วถึงมันเลยถือทุกอย่างเพราะทำมันถูกก็เลยสุขเลยสบายมีเราไม่เป็นอย่างนั้นในสถานที่ใดก็มีแต่แก ไัอันตรายพอใจทังตัวเป็นภัยอันตรายแสียตัวคิดอย่างนั้นปรุงอย่างนี้ทั้งทั้งีิมันเป็นไปไม่ได้มันก็ยากเม่มันอยากมันหิวมันก็ทุกถตามันอิ่มมันพอมังนี้ไม่ยากเงื่อไม่อย่างก็มิวทุกใจที่พระพุทธเจ้า ตัวหนเนี่ยสอนตัวห้องตัวศึกตัวห้องตัวเขะทำนองนั้นศึกให้มันอิ่มให้มันพอ